ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องกรรมหรือไม่มีพระธรรมตรายเป็นสาระเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเพราะว่ากายกรรมแต่ละวันนี้ไม่รู้ไปทาอะไรนักเนาะวจีกรรมแต่ละวันมโนกรรมแต่ละวันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่ที่ประพฤติแสดงออกมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างทีนี้ส่วนใหญ่นี่เป็นไปกับ อาคุสนส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อเป็นไปกับอาคุศลนั้นชีวิตเนี่ยหาความปลอดภัยค่อนข้างยากมากนะสภาพที่ทางจิตใจเนี่ยที่จะไม่เจ็บป่วยด้วยอํานาจของกิเลสเนี่ยน้อยมากเมื่อบาบากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆเข้ามันก็สามารถที่จะฉุดคร่าเขาเหล่านั้นไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกได้ในพระวินัยปิฎก มีพระกลุ่มหนึ่งท่านวางข้าของทิ้งไว้เกะกะข้างนอกสมมติว่าที่โล่งที่แจ้งเนี่ยนะซึ่งของใช้บางอย่างพระเนนนั้นจะวางไว้ไม่ได้เป็นอาบัติพระองค์ก็อาศัยเหตุนั้นก็บัญญัติสิกขาบทที่สุกลุ่มนั้นท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเงี้ยทำไมจะต้องใส่ใจมากนกักอ่ะนะ คือท่านไม่เห็นโทษเลยว่าอาการที่เป็นบาปเป็นอกุศลเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าอย่าไปดูถูกนะว่าบาปอากุศลเนี่ยเป็นของเล็กของน้อยนะถ้ามันเกิดบ่อยๆมันก็ฉุดคร่าเขาเหล่านั้นให้ไปสู่อาบายทุกขติวิเนบาสนรกได้ทีนี้ในขณะเดียวกันกุศลจิตก็เหมือนกันอย่าไปดูถูกว่าเล็กน้อย ถ้าผู้ใดสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลจิตให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยๆเกิดได้มากๆเนี่ยเขาก็สา ม, มารถที่จะพ่อพูนกุศลจิตนั้นจนเต็มบริบูรณ์ได้นะหยดน้ํานี่ก็หยดทีละหยดทีละหยดเท่านั้นเองไม่มีก๊อกน้ําเสียนะมันก็มีแต่ใส่สามา ก, ก็มา ก, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ใดสังวรใจจากบาปได้มากกุศลธรรมที่เขาค่อยๆเจริญ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 หาความปลอดภัยไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าจะเป็นน้ําจะเป็นเหวนะเป็นค้ายๆกับเราไปเที่ยวน้ําตกอ่ะนะถ้าเราไปเห็นปลาสมมติว่าปลาตัวหนึ่งโอ้ปล่อยไปตามน้ําดีกว่าสบายใจดีเดี๋ยวก็ตกจากเหวเรียกว่าตกมาในหน้าผานั้นมากระแทกหินเข้าก็แตกกระจายเป็นร้ายสิบส่วนสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจโดยเป็นกายวาจาใจที่ขาดที่พึ่ง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 พระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไร น, นะถ้าหากว่าเรามีสาระมีที่พึ่งมีที่ลำลึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆมากๆขึ้นชีวิตของเราก็จึงจะเป็นชีวิตที่ที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหาความปลอดภัยไม่ได้กรรมนี้เวลามันให้ผลเนี่ยนะน้าตาร่วงเลยแหละอาหารก็ทานไม่ลงนะถ้ากรรมมันให้ผล อาหารเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปนมันจะอาเจียนออกมาคื น, นถ้าอากุศลมันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยนั่นแหละก็บอกว่าถ้าอากุศลมันให้ผลนะสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นที่รักก็จะนายไปนะสิ่งที่มีอยู่ก็จะร้อยรอลงไปนะมันก็จะมีแต่ลดต่ำไปเรื่อยเื่อยเร่อยรืยนะเหมือนกับฟองสบู่ทึ่มันถึงที่สุดแล้วมันก็แตกยุบยบยบลงไปนะอันอากุศลเนี่ยอย่าไปปล่อยให้มันเกิด มากมายนะนนถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะเจริญกุศลได้ บ, บ่อยๆทีนี้ทํายังไงจะเจริญกุศลได้ บ, บ่อยๆนะกุศลเนี่ยควรเจริญ บ, บ่อยๆเจริญมากๆเคยได้ยินนะอนุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยก็คือทาาําบ่อยๆนั่นเองตามเห็น บ, บ่อยๆกุศลเนี่ยควรพอกคูณ บ, บ่อยๆเรียกว่าภาวนาทีนี้เราจะปล่อยกายปล่อยวาจาของเราให้เป็นไปกับพระธรรมส่วนไหนดีนะ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 ได้ไปคําหนึ่งก็อย่างนี้จะได้ไม่ประมาทพระธรรมบทนี้ก็ใส่ใจให้มากๆอย่างไรเชื่อว่าประมาทอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาทอั น, น, นธรรมสัญญานั้นคนที่มีธรรมสัญญาคนนั้นถึงไตรสารณคมแล้วคนที่ทรงจําพระธรรมได้แล้วตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นๆ น, น, น่ะคนนั้นเชื่อว่ามีสาระและ้วแต่ถ้าหากว่าทรงจํำบทธรรมไม่ได้แม้แต่บทเดียวแล้วจะไปปฏิบัติตามอะไร นึกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยจะปฏิบัติยังไงเหมือนกับคนหลงทิศใช่ไหมจะเดินไปไหนดีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะอย่าง น, น้อยที่สุดให้มีพระธรรมเนี่ยเ็นที่ยึดเหนี่ยวสักบทหนึ่งก็ยังดีอัพระองค์จึงสอนให้ภาษาบกทั้งหลายเนี่ยเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญศีลานุสติเจริญจารานุสติเป็นต้น อันคำสอนเหล่านี้ที่ผู้ใดเข้าถึงทรงจำไม่ได้ก็เจริญพอกพูนมากๆขึ้นคนเหล่านั้นแหละเป็นคนที่ไม่กัมภาและไม่กัมราทางจิตใจแต่ถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องกรรมปั๊บนะจิตใจเราโอ้โหเบาวงเวงแสดงว่าโอโ้เรากำกัมภาอยู่นะยังยงไม่อบอุ่นทางใจเลย<ม>อันอะไรที่ที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นไปให้จิตใจอบอุ่นนั่นแหละกุศลธรรมเบื้องต้นเลยก็คือ า ก, าการถึงไตรสารณคมบนญกียริวัตถุมีสิบประการการถึงไตรสารณคมหรือตามลำเลึกนึกถึงพระรัตนตรอันนะถ้าหากว่าผู้ที่ยอมรับเป็นกุศลธรรมประเภทที่ถูกชุกกรรมทําความเห็นให้ตรงกับสารณะอันนะผู้ที่นับถือหรือถึงไตรสารนคมเป็นกุศลประเภทที่ถูกชุกกรรมในข้อสุดท้ายผู้ที่มีที่ถูกชุกรรมอย่างนั้น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 ศีลานุสติระลึกถึงการให้การบริจาค ก, การเสียสละไปพวกนี้ก็เป็นจารานุสตินะให้มันได้นึกให้ให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับเรื่องราวเหล่านี้จิต จ, จิตใจขณะนั้นก็ไม่เป็นไปกับบาปกับอกุศลกุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คืออันดับแรกนะเหตุปัจจัยสําคัญที่สุดอันดับสอง อารมณ์ปัจจัยใจของเราเนี่ยจะนึกให้ยิ้มเลยก็ได้ถามว่าจะาทำให้ยิ้มเนี่ยทำยังไงหาอารมณ์ที่เราชอบใจที่สุดมาคิดเดี๋ยวพักเดียวยิ้มละถ้าอยากร้องให้นะนึกถึงเรื่องอะไรที่สะเทือนใจที่สุดพักเดียวเดี๋ยวร้องให้เขาเล่าว่ า, าพวกนางเอกหนังอ่ะนะถ้าไม่ร้องให้เนี่ยทำยังไงนะเขาก็จะให้แม่มาเล่าให้ฟังก่อนว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยแม่มีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ พ ว, พวกนักะแสดงนะจะเข้าบทโศกเข้าก็ต้องมาฟังแนละ้วน้ำตาก็ซึมแนละ้วจะเข้าฉากได้สมจริงสมจังหน่อยปราั้นทันเรื่องที่สะเทือนใจนั้นนะ่ะก่อให้เกิดโทมนัสเรื่องที่ที่ปรารถนาที่ที่เราสดชื่นใจที่สุดนะนึกถึงบ่อยๆก็จะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสทัานอิทธิพลของอารมณ์เนี่ยมีมากต่อเวทนานะ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 ถ้าผู้ใดตรึกถึงสิ่งเหล่านี้มากๆกุศลจิตคนนั้นจะเกิดง่ายแต่ถ้าหาว่าผู้ใดห่างจากธรรมะเหล่านี้ผู้นั้นก็จะอกุศลจิตจะเกิดบ่อยทีนี้นี่คือเหตุภายในเพราะฉะั้นผู้ที่ตรึกอย่างนี้บ่อยๆผู้นั้นชื่อว่ามีโยนิโสมนัสิการะนะการตรึกถึงพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในขณะนั้นแล้วกุศลจิตเกิดขณะนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโยนิโสมนัสิการเป็นผู้ที่ฉลาดคิด ไม่ปล่อยให้ความคิดไหลไปกับบาปอากุศลแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามก็เป็นอาโยนิโสมนัสิกานะนี่คือปัจจัยภายในที่สําคัญคือในยุคนี้เราถามหาการยานามิตรเนี่ยค่อนข้างยากที่ว่ายากเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าองค์คุณของการยานามิตรก็มีอยู่องค์คุณของการยานามิตรก็คือผู้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีขันติมีหิริโอตตปะมีปัญญามี นะคุณงามความดีพิเศษอย่างอื่นอีกมากมายทีนี้เราไปถามหาคนเหล่านั้นได้ที่ไหนเราไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดในยุคกกลยานามิตรดีๆจริงๆนะขอ ม, มาอย่างนึกโอพวกเราเนี่ยสนใจมีศรัทธาในคำสอนกันนะเป็นเรื่องที่น่าโนโมสนามมากถ้าหากว่าได้กลยานนิมิต ด, ดีๆจริงๆนะอย่างเช่นภาษาวกสมัยก่อนๆมาแนะนาสั่งสอนเนี่ยตอนนี้เราคงได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะ เรียกว่าภาชนะเนี่ยดีแล้วถ้าได้อาหารแจ๋วมาฝส่เนี่ยคงจะคงจะดีมากเลยนะอันถ้าหากว่าผู้ที่มีบุญเนี่ยเกิดในยุคที่ที่เขามีบุญมากเนี่ยถึงจิตเราเศ้ามองแค่เห็นหน้าท่านปับ๊บผ่องสายแหละอ่าอย่างพระเวสสันดรเนี่ยท่านออกบวชเนี่ยท่านเจริญเมตตา ม, มากในรัศมีหนึ่งอ่าสหนึ่งโยชน์เนี่ยนะไม่มีสัตว์มีศัตรูกันเลยสัตว์จะไม่เข็นฆ่ากันในบริเวณที่พระเวสสันดร อ, อยู่อนาบริเวณสิบหกิโเม ด้วยเมตตาของท่านหรือพระอัสสกเทระเนี่ยพระพระในในประเทศศรีลังกาบางองค์เนี่ยนะแค่คนเดินผ่านวัดท่านเนี่ยเย็นละเครียดไปเนี่ยเดินเฉียดวัดท่านนี่ก็มีความสุขแล้วฉนั้นคนที่มีเมตตาจริงๆนะเราแค่เห็นหน้าท่านเราจะมีความสุขมากเพราะเขาเป็นกาลยานามิตร น, นะอย่างสมมุติเราบางคนเนี่ยตณีทีเหนียวมัชยะเกิดขึ้นมากเลยนะเห็นบางท่านเท่านั้นคิดจะให้เลย อ่าอย่างเช่นในในสมัยพุทธากาลเนี่ยโยมส่วนหนึ่งอะนะที่ที่มีผ้ากำพลเนี่ยผ้ากำพลก็คือผ้าขนสั์ทีนี้โหตันีกันอ่ะนะเขาบอกมีสั ม, มเณีองค์หนึ่งมานะเหมือนกับมาตามล่าผ้าอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านเก็บผ้าของท่านไว้ให้ดีก่อนแล้วกันสั ม, มนเณีเนี่ยเดินไปเนี่ยคนมองเห็นปั๊บโอ้ใครก็อยากถวายท่านอ่ะอันเจ็ดขวบเนี่ยนะท่านเดินผ่านตลาดครั้งเดียวแค่นั้นอะผ้ากำพลเนี่ยได้เป็นหลายร้อยผืนเลยอ่ ะ, อะนะ ท่านเห็นแล้วโอ้โหคนนี่คิดจะให้บางคนนี่เห็นแล้วอยากฟังธรรมบางคนก็อยากเจริญศรัทธาศีลสุตะจาระฆะปัญญากุโซรธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นง่ายนั่นเป็นยุคที่มีกาลยานามิตรนั่นแหะยุคที่มีกาลยานามิตรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะถามหาความเป็นกาลยานามิตรจากผู้อื่นหาง่ายไหมทีนี้เราต้องคิดว่าเออเราทํำยังไงจะเป็นกาลยานามิตรให้แก่คนอื่นได้ อันแสดงว่าเราต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมเราจึงจะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าหากว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เป็นมิตรที่ดีกับเราลองพูดดีๆกับคนอื่นนะเดี๋ยวคนอื่นจะคุยดีกับเราแต่ลองด่าคนอื่นดิ <c oughs> เดี๋ยวก็าวสวนมาแน่งั้นแหะเพรนั้ น, นในความเป็นมิตรนั้นมีความสําคัญมากอันปัจจัยภายนอกที่จะทําให้ให้เจริญกุศลธรรมจนถึงกับมรรคกุศลเกิดขึ้นได้ก็คือ กัลยาณมิตรเหตุภายในก็คือโยนิสมนัสิการะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นบุพบภาพแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละทีนี้ในยุคนี้เนี่ยเราไปถามหากัลยาณมิตรเนี่ยมันคงยากแล้วล่ะทีนี้ทํายังไงปัจจัยที่จะให้โยนิสมนัสิการเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยบ่อยอันผู้ที่จะมีเหตุปัใจจัยให้โยนิสมนัสิการเกิดบ่อยบอยเบื้องต้นเลยก็คือมีจิตใจที่เป็นไปกับคําสอน หมดใดหมดหนึ่งนะนะให้มันมีอย่างน้อยๆติดไม้ติดมือสักสูตรเธอเหนะ็นไหนับถือเออคุณนับถือพระพุทธเจ้าคุณศรัทธาคำสอนส่วนไหนที่สุดนะถ้ามีคนถามอย่างเงี้ยนะลองเล่าให้ฟังหน่อยทาไมคุณจึงคำศรัทธานในคำสอนสูตรนั้นๆเลยนะถ้าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติเขาถามในเรื่องนี้มาเราสามารถพารณนาได้อย่างมีความสุขใช่ไม หรือว่าแหมทำไมมาถามเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอเราต้องสา ม, มารถที่จะเล่าได้ในส่วนที่เราศึกษาและปฏิบัติตามนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีบุญมากก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเช่อไหมถ้าหากว่าเราขาด ก, กุศลธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าคนอนาถาคนขัดสนเพราะไม่มีทรัพย์คือศรัท ธ, ธา ไม่มีศรัทธาในคําสอนเนี่ยหนึ่ ง, นงในความขัดสนข้อที่หนึ่งมีบางครั้งนะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วไปไปแสดงธรรมที่หนึ่งนะโหมันจะได้เวลาสแสดงธรรม้ะไอเรานี่ยังนึกเรื่องพูดไม่ได้เลยยอมว่าก็มากันขนาดนี้ประมาณเท่า น, นี้แหละจะพูดเรื่องอะไรวาวันนี้จะเอาพระไตรปิฎกไปอ่านให้เขาฟังเขาก็ฟังมาอเข้าใจ ทีนี้จะคุยเรื่องอะไรนาะมันคิดยังไงรู้ไหมบอกโอ้เนี่ยคนอนาถาเป็นอย่างี้เองขนาดคื อ, ค, อคือคนไร้ทรัพย์อ่ะนะขนาดเขาค่ากับว่าเราเนี่ยเป็นคนจนอ่ะนะมีคนมาขออะไรเราสักอย่างหนึ่งเราไม่มีจะให้เขาโอ้คนกัมภาไอ้คนยากคนจนยากอนาถานี่มันเป็นอยังไงเองนะโอ้พอมันคิดมาปุปุ๊บโอ้เราเนี่ยมันจนขนาดนี้เลยเหรอทีนี้เขาค่อ ย, อ ย, อยนึกเพราะทำคำสอนนะโอ ก็่อยๆนึกนึกนึกนกจะได้ได้สักสูตรสองสูตรจะได้เรื่องพูดแล้ววันนี้ไม่งั้นนึกหาพระธรรมไม่ได้สักสูตรเลยทีนี้ก็สายใจโอ้คนทุกคนยากคนยากคนจนคนอนาถาทางจิตใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเริ่มเห็นแล้วทีนี้เอคนอื่นๆเขาก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้คนอื่นเขากุศลจิตเกิดได้ น, นะแล้วขอจะมาไม่ได้หวังมากนะ เวลาแสดงธรรมเนี่ยไม่หวังว่าโอ้โเขาจะต้องไปปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเขาไม่คิดขนาดนั้นหรอกคิดว่าเออนั่งคุยกันเนี่ยกุศลจิตเขาเกิดเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะนั่นแหละปัญหาสําคัญที่สุดก็คือคุยแล้วเขากุศลยังไม่เกิดเลยเนี่ยสิจะแย่เลยใช่ไหมเขานึกรําคาญไอ้ท่านมาพูดอะไรของท่านเนี่ยมันถางยุ่งล ะ, ะแสดงว่าเราบุญน้อยไปหน่อยนะถ้าหากว่าพูดแล้วคนอื่นกุศลจิตยังไม่เกิดนะแสดงว่าขอโทษนะเดี๋ยวไปทําบุญก่อนนะ ไปศึกษาคําสอนให้มันเข้าใจเยอะๆก่อนนะไปปรับคุณภาพจิตสุขภาพจิตให้มันดีๆอันนี้เราจะได้แนะนําให้คนอื่นเข้ากุศลจิตเกิดได้ง่ายนะนั้นเราจะไปโทษคนอื่นเขานั่นะแหละว่าเราเนี่ยบุญน้อยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์เวลาจะแสดงธรรมปั๊บเจริญเมตาตาปั๊บสัตว์ทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นมีความสุข ก, กายสบายใจโอ้อยากฟังพระองค์พูดมั้งนั่นะแหละแต่ทีนี้ของเราบุญไม่มากขนาดนั้นก็แสดงว่าอย่างยากจนอยู่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 ในขณะเดียวกันเราอยากให้คนอื่นเขาทำดีกับเราเราทำดีกับคนอื่นขนาดไหนเราอยากให้คนอื่นเขาเามีจิตที่เป็นกุศลกับเราแล้วเราเนี่ยมีจิตที่เป็นกุศลกับคนอื่นขนาดไหนถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเจริญกุศลและจิตกับคนอื่นได้นะอย่าร้องเรียกหาความดีจากคนอื่นเลยนะคนอื่นเขาก็ต่างอะไรจากเราบ้าง น, น, าดดนั่นนะเข า, าก็หิวเหมือนเรานั่นแห ล, ละเขาก็คิดเหมือนเรานั่นแหละ นะถ้าหากว่าศึกษาเรื่องดำมมากๆขึ้นนะจะทําให้รู้ว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนขัดสนไหมนะคัทซับคือศรัทธาเกิดบ่อยไหมซั์คือศีลเกิดขึ้นมากไหมฮีริโอตาปะเกิดบ่อยไหมนะถ้าฮีริโอตาปะเกิดครั้งเดียวก็ทำเหมือนกับทํางานได้วันละบาทอย่างเงี้ยพอไหมเออจะไปอยู่กินยังไงเนาะสมมุติว่ายี่สิสี่ชั่วโมงใช่ไหม สิบวินาทีทีนี้โอตาปะเกิดช่วงสิบวินาทีไอ้ที่เหลือยี่ยี่สิบสามชั่วโมงเก้าสิบเก้านาทีกว่าเนี่ยไอ้ห้าสิบเก้านาทีเนี่ยอะคุสนั่งนั้นเลยโอ้แล้วเมื่อไรเนาะไ อ, ไอ้กุศ ล, ลจิตทีนีโอตาปะาาพพนเนี่ยจึงอย่างมากมายพอกพูนนะใช้นี่ก็ไม่หมดแล้วยอมเขาเรียกว่าอะคุสนี่มันมาตัดร้อนออกไปเนี่ยก็หมดแล้วทั้นถ้าหากว่ากุศลศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาทินีโอตาปะ กุศลจิตเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดนะขอให้รู้เถอว่านี่คือคนขัดสนใ น, ในสังสารวัตรนะผู้อยู่ในสังสารวัตรแบบคนทุกคนยากคนยากคนจนคนอนาถานะทีนี้ถ้าหากว่าเราขัดสนกุศลจิตแบบนี้แล้วนะซับภายนอกอย่าไปถามหาเลยเพราะอัพยากะตะรมทั้งหลายที่ดีๆเป็นของคนมีบุญเขานะโลบสวยๆเป็นของคนมีบุญ เสียงเพราะๆเป็นของคนมีบุญกลิ่นหอมๆก็มีเป็นผลของคนมีบุญรสอร่อยๆก็เป็นของคนมีบุญโภธพระที่ดีๆก็เป็นของคนมีบุญสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเป็นต้นก็เป็นของคนมีบุญทีนี้บุญเหล่านี้ถ้าไม่เกิดแล้วลรจะไปร้องเรียกหาได้ยังไงนี้เป็นเป็นเหตุและเป็นผลต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเข้าใจเรื่องนี้จน จนเบื่อนะกรรมสักตาต้องมั่นคงค่อนข้างมากแล้วเห็นความไม่เป็นสาระของกุศลและอกุศลถึงกุศลก็ตัวกุศลเองเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วผลของกุศลเนี่ยเที่ยงไหมพวกเราเนี่ยเป็นผลของกุศลหรืออกุศลที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นผลของกุศลนะมนุษย์นะสุขติภูมิเป็นผลของกุศล ผลของกุศลเนี่ยนะก็คือเหมือนพวกเราเนี่ยชราไหมป่วยไหม <Okay. S 1> เคยร้องไห้ไหมนั <Okay. S 1> ม่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มากมายมหาศาลฉันเขาจึงเจริญกุศลเพื่อ ย, ยกตนให้พ้นจากวตะนั่นแหละฉันผู้ที่เจริญกุศลธรรมประเภทอริยสัตว์นั้นจึงเป็นการเจริญกุศ ล, ลธรรมเพื่อออกจากวตะวตะออกจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่า อริยปัตมันจะรู้ไม่ได้แน่นอนถ้ากุศล จ, จิตมันเกิดกับพ้องกระแพ่งเต็มทีถ้ากุศล จ, จิตเราเกิดมีกําลังอ่อนนะเราไม่สามารถที่จะตรึกพระธรรมคาสอนได้อย่างละเอียดละออนเนี่ยนะเรื่องการแทงตลอดอริยปัตเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าไออวิชาเนี่ยมันกองใหญ่เหลือเกินนะอวิชาเนี่ยมันกองใหญ่มากมายมหาศาลปัญญาเกิดนิดเดียวนะเรียกว่าร้องแค่ว่า ความมืดเนี่ยประกอบไปด้วยองค์สี่แกได้ยินนะความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่เป็นคืนหนึ่งในป่าทึบสองในคืนข้างดับสามเมฆฝนใกล้จะตกเวลาเที่ยงคืนนะนะองประกอบนี้ถือว่าสุดยอดความมืดเลยป่าทึบด้วยคืนข้างแรมเที่ยงคืนนะ้โหมันจะมืดขนาดไหนนะนั่นแหละ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 ถ้าปุตตโยชนเนี่ยบอดสนิทเลยจะเริ่มประพินประพายมั่ง <c oughs> ก็ขณะที่นึกถึงเรื่องอริยสัจเป็นต้นถ้าไม่นึกแล้วก็มืดอีกหลับสนิทอีกยิ่งคนหลับอีกเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเนี่ยพอมันมืดขนาดนั้นปั๊บเนี่ยนะบางครั้งก็เดินถูกทางบางครั้งก็เดินผิดทาง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 แสงสว่างเป็นกุศลที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเพราะฉะนั้นก็ก็มือดอีกต่อไปพอใจไหมที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเดินไปอย่างนั้นเนี่ยใครหน้าต้องฝาทนีุ่ด